บุ๊กท63 6สาอการตั้งคาถามสอง p o s, <i> <S, <i> <S t a v a n e p r a n a два postavuvanje p r a a д в ดิฉันมีงานอดิเรก Yes, Imam hobby. Yes, Imam h o b ฉันเล่นเทนนิส Yes, играм т е н и с Yes, играм т е н и с สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ a а д е има игралиште за т е н и с к д е има игралиште за т е н и с คุณมีงานอดิเรกไหม Ima šli kobi. Ima š l ดิฉันเล่นฟุตบอล Yes, igram futbol. Yes, igram futbol. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Kade ima futbolsko igralište? Kade ima futbolsko igralište? ดิฉันเจ็บแขนเมบลราคตาเมบูลิราคาตาดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยเมบลสโตปาโลโติราคตาอิสตตาคาเมบลสโตปาโลโติราคตาอิสตตาามีคุณหมออยู่ไหมคะคาเดมาดอเตอร์คาเดมาดอเตอร์ ดิฉันมีรถ Yes Imam รถยนต์ Yes Imam ต์ดิฉันมีจั ก, กรยานยนต์ด้วย Yes Istotaka Imam อ im ินมอเตอ Yes Istotaka Imam อ im ิมอตรดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะค่าเดออมามารกิ่ ค่าเดี๋ยวอิมัมปร์คิราลิสเต้ดิฉันมีเสื้อเสเวเต้ยัสอิมัมพูลอเวอร์ยัสอิมัมพูลอเวอร์ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยยสอตตอยากนาดนฟยสอตตอมยเอดนฟเม เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะค่าเดีวมามลต์ีมาชิน่าซัอฉันมีจานย m อนิาสอิมัมชินาดิฉันมีมีดซ่อมและช้อน ฉ и นมีมีดวิลูชกาและ а ากิซ и าเกลือและพริกไทยอยู่ที่ไหนคะค่าด้ д е с ก э с ื л т а и б ร э, б е р о т